ททานทยสมบัติทองคำกาลละครั้งหนึ่งทางตะวันตกที่ห่างไกลในเมืองฟอร์ดแลงมีมือกลองคนหนึ่งชื่อแอนโทนีอาศัยกับภรรยาของเขาโรสโรสและแอนโทนีหวังว่าจะมีลูกและพวกเขาแทบตั้งตารอไม่ได้วันหนึ่งโรดยืนอยู่หน้าระเบียงและมองพระอาทิตย์ทอแสงเธอรู้ว่าแสงแดดงดงามเพียงใด โอ้ฉันหวังว่าลูกของเราจะส่องประกายเหมือนกับแสงแดดและเขาก็จะมีอนาคตที่เจิดจรัสราวกับพระอาทิตย์วันที่รอก็มาถึงนกกระสาบินอยู่เหนือหลังคาข้าผ่อผ้าเล็กๆและบินไปยังประตูของคู่รักวางถุงผ้าลงและเคาะประตูด้วยปากแล้วก็บินจากไปแอนโทนีเปิดประตูและดีใจที่ได้เห็นลูกของพวกเขาทารกมีผมสีทอง ราวกับพระอาทิตย์ส่องประกายอยู่บนนั้นที่รักของฉันความมั่งคั่งของฉันทุนหัวของฉันเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีปีเตอร์ที่รักของฉันจะเรียกว่าปีเตอร์ปีเตอร์โอ้ช่างวิเศษเมื่อพูดเสร็จมือกลองก็รัวกลองด้วยความสุขปีเตอร์โตขึ้นเป็นช่างหนุ่มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีความสุขเขามีผมสีแดงที่งดงาม ทั้งยังเป็นชายหนุ่มที่รูบหล่อที่สุดในเมืองเขาสามารถร้องเพลงได้ราวกับนกในฤดูใบไม้ผลิและยังเล่นกีตาร์ได้ไม่เหมือนใครในฟอร์ดแลงโลกช่างสวยงามโลกคือทุกอย่างที่พวกเราต้องการนกเมฆและพระอาทิตย์เติมเต็มหัวใจไปกับความพิติและความยินดีโอ้ที่รักของแม่ช่างมีเสียงที่ไพเราะนักนะเขานะ่ะควรจะได้เป็นนักดนตรีและร้องเพลงในพระราชวังของพระราชาและพระราชินี ไม่มีทางรอดลูกชายของเราต้องเป็นทหารเขาต้องสวมชุดจูนิฟอร์มพกปืนและเดินขบวนหนึ่งสองหนึ่งสองนอกจากนี้ผมของเขายังเป็นสีแดงไม่ใช่สีทองแต่ปีเตอร์รู้ดีว่าภายในใจเขาต้องการเป็นนักดนตรีมากกว่าทหารอยู่มาวันหนึ่งแบนโจซึ่งเป็นนักดนตรีในเมืองได้เดินผ่านตลาดจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของปีเตอร์ฉันรักพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ส่องประกายจงเจิดจระด ช, ชั่วนิรันด์และมอบชีวิตแด่เรามอบความหวังแด่เราและพวกเราเต้นและร้องออกมาเต้นและร้องออกมาเต้นรําและร้องเพลงแบนโจโ อ, โอนเอ็นไปกับพรสวรรค์ของปีเตอร์นี่คุณคุณชื่ออะไรเหรอผมชื่อปีเตอร์ครับท่านปีเตอร์นายมีเสียงที่เพราะมากและสิ่งที่นายทํากับกีต้านั้นยอดเยี่ยมมากนายควรแก่การเป็นนักดนตรี ขอบคุณครับสําหรับคําชมแต่ผมเกรงว่าผมคงต้องไปเป็นทหารทหารเหรอโอ้สวรรค์ทรงโปรดนายไม่ใช่ทหารนายไม่เห็นพรสวรรค์ที่น่าตะลึงของนายเองเหรอนายต้องเป็นนักดนตรีที่เยี่ยมที่สุดในอาณาจักรหนึ่งเดียวในฟอร์ดแลงพอต้องไม่ยอมแน่เลยพูดเช่นนั้นปีเตอร์ก็โค้งหัวและเดินจากไปแบนโจ ร, รู้สึกเป็นห่วงหลายวันผ่านไป และในไม่ช้าก็ถึงเวลาที่ปีเตอร์ต้องบอกลาพ่อแม่ของเขาไปก่อนนะพ่อไปก่อนนะแม่โอ้ขุมทรัพย์ทองที่รักของแม่กลับมาโดยเร็วนะขออย่าให้มีภัยอันตรายใดๆและด้วยเรียนกล้าหาญจาเอาไว้ไม่มีอะไรทําให้พ่อภูมิใจได้ปีเตอร์ถอนหายใจและจากมาฮะปีเตอร์เข้าร่วมกองทัพทหารสงครามเริ่มขึ้นในไม่ช้ามันกินเวลานา น, านไปหลายวัน ปีเตอร์เริ่มเข้าใจว่าสงครามนำแต่ความสูญเสียมาให้เท่านั้นในที่สุดสงครามก็จบลงและมีการลงนามสันญิภาพโดยนายพลปีเตอร์กลับมาถึงบ้านและสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมสงครามอีกโอ้ขุมทรัพย์ทองน้อยของแม่ลูกกลับมาแล้วพรของแม่ช่วยลูกไว้ดูสิลูกไม่มีรอยขีดข่วนเลยไหนล่ะเรียนกล้าหาญโอ้ไม่ได้นมาเช่นกันไม่เป็นไรลูกชาย พ่อมั่นใจว่าศึกหน้าต้องได้แน่นอนมันจะไม่มีศึกหน้าสงครามนํามาแค่การทําลายล้างและความสูญเสียและผมคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมเข้าร่วมทําในสิ่งที่ผิดอะไรนะงั้นลูกจะไปทําอะไรผมจะไปเป็นนักดนตรีฉันไม่มีวันอนุญาตหยุดบังคับขุมทรัพย์ทองน้อยของฉันได้แล้วเขาทําเรื่องที่คุณขอให้เขาทําแล้วเข้าร่วมกองทัพ และต่อสู้ในสงครามตอนนี้ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากทำอะไรขอบคุณครับแม่ถ้างั้นก็ทำในสิ่งที่ลูกต้องการเถอะแต่รู้ไว้ซะว่าพ่อผิดหวังแล้วแอนโทนีก็เดินจากไปปีเตอร์เศร้าใจมากแต่แม่ของเขาก็เข้ามาปลอบคุ้มทรัพย์ทองน้อยของแม่ไม่ต้องกังวลกับพ่อไปหรอกลูกน่ะวิเศษเกินกว่าที่จะต้องเสียใจ เดินหน้าต่อไปทําในสิ่งที่ลูกต้องการแม่จะคุยกับพ่อให้ขอบคุณครับแม่แม่ใจดีที่สุดในโลกเลยวันรุ่งขึ้นปีเตอร์ไปพบแบนโจคนที่ดีใจมากเมื่อพบเขาดูสิใครมาปีเตอร์ผู้มีพรสวรรค์นายกลับมายังสดชื่อเลยนะสหายดีใจที่ได้พบคุณครับคุณแบนโจดีใจที่พบเช่นกันปีเตอร์อะไรทําให้นายมาที่นี่ละ่ะปีเตอร์เล่าให้แบนโจฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในสงคราม และเขาสาบานว่าเขาจะไม่เข้าร่วมมันอีกพ่อรู้สึกไม่ชอบในการตัดสินใจของผมแต่นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากทำในที่สุดนายก็กล้ายืนด้วยตัวเองเรามาฉลองกับการเริ่มต้นใหม่ของนายกันลินดาลินดาเป็นน้องสาวของแบนโจเธอเข้ามาในห้องเมื่อเห็นเธอราวกับปีเตอร์ถูกมนต์สะกดปีเตอร์นี่น้องสาวของฉันลินดาลินดานี่ปีเตอร์ ปีเตอร์และลินดามองไปที่กันและกันแล้วยิ้มออกมาลินดาพวกเราจะฉลองกันรบกวนน้องช่วยไปเอาผลไม้และของหวานจากในครัวมาให้หน่อยได้คะ่ะพี่ในไม่กี่วันปีเตอร์ได้เล่นกีตา้าและร้องเพลงที่บ้านแบนโจมีนายกเทศมนตรีและราชวงมาชมอยู่บ่อยครั้งทุกคนประทับใจในตัวปีเตอร์โดยเฉพาะลินดาเธอตกหลุมรักเขาในไม่ช้า พวกเขาก็รักกันกุมมือกันและกันและรักกันมากเมื่อแบนโจ ร, รู้เรื่องนี้เขาก็มีความสุขมากน้องสาวและเพื่อนรักของฉันฉันไม่มีความสุขไปมากกว่านี้ขอบคุณแบนโจรเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้โอ้วิเศษไปเลยแต่ฉันเกรงว่าต้องรอไปก่อนปีเตอร์และลินดาเป็นกังวลมีอะไรอย่างนั้นเหรอ ฟ้าบาต้องการให้นายเล่นเพลงในงานแต่งของลูกสาวเขานั่นเยี่ยมไปเลยปีเตอร์ขอบคุณแบนโจเมื่อเขาหันมาหาลินดาก็พบว่าเธอไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วปีเตอร์เข้าใจว่าเธอคงอารมณ์เสียแต่การเล่นเพลงให้กับพระราชาของอาณาจักรนั่นถือเป็นสิ่งที่เขาต้องการทํามาตลอดเขากลับมาที่บ้านเพื่อบอกทุกอย่างให้แม่ฟังเธอมีความสุขมากและทําอาหารที่อร่อยที่สุดให้เขาไว้สําหรับเดินทาง เขาบอกลาพ่อแม่และจากมาปีเตอร์เล่นบทเพลงที่งานแต่งงานของราชวงศ์ทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือเขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงพระราชาและพระราชินีจากอาณาจักรใกล้เคียงที่มาร่วมงานต่างต้องการให้เขาไปเล่นเพลงในอนาณาจักรของพวกเขาด้วยปีเตอร์ตอบรับอย่างถ่อมตนและไม่นานจากอาณาจักรหนึ่งสู่อาณาจักรหนึ่งเขาเล่นกีต้าร์และร้องเพลงของเขาเขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้คนต่างเรียกเขาว่า ปีเตอร์นักดนตรีผมแดงแต่แม้จะมีชื่อเสียงปีเตอร์ก็ปรารถนาที่จะมีครอบครัวของเขาและลินดาหลังจากการแต่งงานครั้งสุดท้ายของฤดูกาลปีเตอร์จึงเดินทางกลับไปที่ฟอร์ดแลงตลอดการเดินทางเขานึกถึงความสำเร็จและสิ่งที่เขาอยากทำมาโดยตลอดเมื่อเขามาถึงบ้านแม่ของเขาวางทุกอย่าง แล้วรีบวิ่งเข้ามาโผกอดเขาขุมทรัพย์ทองน้อยของแม่ลูกกลับมาแล้วครับแม่ผมเองดูนี่สิผมมีอะไรมาให้ปีเตอร์มอบกระเป๋าที่เขาถืออยู่มันหนักมากจนแม่ของเขาต้องวางลงเมื่อเธอเปิดออกพบว่ามันเต็มไปด้วยทองคำไข่บุกทับทิมและเพชรมากมายส่องประกาย ส, ว, าสว่างสวัอเรารวยแล้วลูกชายมอบโชคให้กับเรา อย่างไรก็ตามแอนโทนีไม่ได้ประทับใจเขานั่งเงียบๆอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกและมองออกนอกหน้าต่างปีเตอร์เดินไปหาเขาและหยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋าเขาคุณพ่อนี่ของพ่อนะผมได้มันเป็นรางวัลจากพระราชาแห่งจีนแอนโทนีหยิบเหรียญและมองมันน้ําตาไหลรินออกจากดวงตาเขาลุกขึ้นและสวมกอดลูกชายลูกทำให้พ่อภูมิใจมากเจ้าลูกชาย โรสเห็นดี่ไม้พบบอกคุณแล้วเขาควรไปเส้นทางแห่งลุนตรีทั้งสามมองหน้ากันและหัวเราะออกมา <dank>? ทุกอย่างของปีเตอร์ดีขึ้นเขาแต่งงานกับลินดาและจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โรตัดสินใจพูดแด่ลูกชายของเขาลูกชายของฉันเดินตามความฝันของเขาและทําให้พวกเราภูมิใจมากฉันไม่สามารถหาลูกชายที่ดีแบบนี้ได้อีก ขุมทรัพย์ทองน้อยของแม่ขอบคุณมากแม่แต่ถึงเวลาที่ทุกคนต้องบอกแม่แล้วผมของผมเป็นสีแดงไม่ใช่สีทองโอ้ปีเตอร์พ่อพูดเรื่องนี้มาทั้งชีวิตแล้วโอ้ไม่ใช่ผมของลูกที่เป็นสีทองลูกรักมันคือหัวใจของลูกใช่แล้วหัวใจที่งดงามของลูกที่สร้างเสียงดนตรีขึ้นมานั่นคือพรสวรรค์จากพระอาทิตย์ตก ไม่ว่าลูกจะจับหรือว่าร้องเพลงอะไรมันก็ช่งางไพเราะไปหมดนะลูกแม่ทำไมแม่ถึงไม่เคยที่จะบอกกันเลยจะให้พูดยังไงละ่ะก็จะบอกตอนสุดท้ายนี่งไง <laughs>